ก็ดูว่าเฮ้ยตั้งเสัปดาห์นะั่นพระองค์ไปคิดอะไรของเราไปเดินดูแวบๆโอ้ยหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเล ย, ยงั้นนะก็มีแต่เนี่ยเนีกองอิดกองทรายเนี่ยตั้งกองก็ อ, อยู่แค่นี้ท่านอยู่ได้ตั้งเจวันอย่างมีความสุขเนี่ไปดูที่ของเรานี่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะได้เจวันก็ขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมเท้ามหาพรหมก็มาอาราธนา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 เพื่อจะทรงแสดงทำให้แก่ชนสามโกดซึ่งบวชกับพระองค์เนี่ยนะไอ้ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ชายนะลุงเริงเราไม่เข้าจํานวนนั้นเลยนาะหลุดมาได้ยังไงไม่ทราบแสดงว่าตัวนิดมากเลยนะตะขายยังไงมาร่อนแล้วก็ยังหลุดไปอีกนะชนทั้งสามโกธที่บวชพร้อมกับพระองค์ก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยก็คนมีบุญเนี่ยนะมีบุญ ม, มีอัธยาศัยมีอุปนิสัย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 เพราะฉะนั้นก็พวกอุปถักต์ที่บวชติดตามมาสามโกดนั้นก็เงียบไปหมดอ่ะพระองค์ก็เห็นว่าชนเหล่านั้นอยู่ณสุธรรมราชอุทยานกรุงสุภาพวดีพระองค์ก็เสด็จไปทางอากาศลงที่สุธรรมราชอุทยานพระองค์อันชนเหล่านั้นเวทล้อมแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรท่ามกลางบริษัททั้งเทวดาและมนุษย์ณที่นั้นอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมได้มีแก่สัตว์ร้อยโกดเนี่ย ท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าพระอนุมัติสีพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีธรร ม, มาพิสมัยสําเสเร็จจําเริญไปทั้งนั้นพระองค์ทรงสแสดงอริยสัจธรรมครั้งที่หนึ่งมีผู้ตรัสรู้ธรรมประมาณร้อยกฎกําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งหรือถ้าเรียกแบบพูดแบบย่นยอ่อพระองค์ก็ตรัสรู้ว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันธ์ทางนิโรธธรรมังนะ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 ดับของทุกขคําว่าเกิดหมายถึงสมุทัยคําว่าดับหมายถึงพระนิพานเนี่ยนะมันก็มีผู้ที่ละสมุทัยตรัสรู้พระนิพานด้วยอริยมรรตเนี่ยนะต่อมาภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทำยมะกะปาติหารณโคนต้นประดู่ใกล้ประตูโอสถีนครประทับนั่งเหนือแท่นบรรดุกรรพลศิลาอาจณนภะบดาวดึงซึ่งพวกอสูรครอบงําได้ยาก คือดาววดึงเนี่ยนะจริงๆแล้วอดีตเป็นเมืองของพวกอสูรแต่พวกขี้เมาเนี่ยนะท้าส ก, กะมีบุญเกิดขึ้นก็เลยจับโยนพวกอสูรไปลงโน่นนะที่ไหนเมืองอสูรพิภพอยู่เทเลโน่นนะเพราะฉะนั้นตอนหลังอสูรเขาคิดถึงต้นนะต้นปาตาลีเนี่ยนะต้นแครฟอยเนี่ยอยากจะกลับไปดาววดึงไปเขาสู้รบเทวดาไม่ได้ก็ลงกลับไปอยู่เมืองอสูรตามเดิม ตอนที่พระองค์นั้นประทับอยู่ที่บรรดุกัมพลศิลาอาจนาะสวรรคชั้นดาวเดืองพระองค์ก็ทําฝนฝนคืออภิธรรมปีดกให้ตกลงตลอดสมเดือนอ น, นะคือเสียงของพระองค์ไม่ได้พักเวน้นแต่พักหายใจแค่นั้นเองถามว่าเอาตอนฉันนะ่ะพระองค์ก็เนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นแสดงแทนพั้นเสียงประกาศธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนเช่นกับฝนตกคิดดูเหมือนฝนยังไงเราพูดหนึ่งคำพระนร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 ต้องทำบุญให้นั่งฟังทำอย่างเดียวไม่มีนิวรณ์แทรกสเดือนนะ่ะนะต้องฟังทำให้ได้อย่างนั้นนะั่นแหละแทรกสมเดือนนะ่ะไม่มีอกุศลจิตเข้าแทรกสมเดือนนะั่นแหละโอ้จบนี่บรรลุเลยนะทำบุญยังไงมานาะจะนั่งฟังทำอภอภิธรรมปิดกอย่างเดียวเนี่ยนะจิตมีแต่พุทธพจน์เนี่ยนะสเดือนเต็มเต็มแต่จริงๆนะทุท่านสามเดือนของดาวดวงหนึ่งเท่ากับฟังทำไม่กระพริบตาสามชั่วโมงแค่นั้นนะถ้าเทียบกับอายุ ข, ของดาวดวงหนึ่งะนะ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 หลับนี่จบเพลงอะไกันแ่หลังจากที่พระองค์ประทับที่สวรรค์ชั้นดาวประเด็นแสดงอภิธรรมนั้นมีผู้บรรลุแปดสิบโกดบรรลุทำแปดสิบโกดยมโตไม่อยู่ที่นั่นเลยดูดิเนี่ยตั้งเยอะแยะเลยเพราะเหตุนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อพระพระอนมาทศีพุทธเจ้าทรงหลังฝนคือทำตกลงในสมัยนั้นมีผู้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะประมาณ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 นี้ทุกเนี่ยนะบทอักขระเป็นต้นเนี่ยนะพวกอักขระพยัญชนะนิรุตเนี่ยแสดงหลั่งไหลไม่มีประมาณเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาใช้พยัญชนะมากเพื่อให้ให้รู้ให้เห็นอริยสัจเนี่ยน ะ, ะบางคนเขาบอกโอ้พระไตยปิฎกมากขนาดนี้เนี่ยนะใครจะไปอ่านจบที่จริงอะ่ะถ้าเราอย่าไปคิดอะไรมากอ่านทุกสูตรก็อ่านอริยสัจนั่นแหละจะมากยังไงก็อ่านเรื่องเดียวเรื่อง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 S <S <an> ก็เพราะว่าเขาถ้าเขาไม่อ่านเขาก็ไม่มีความผิดก็เพราะมันของยากยางั้นเพราะฉะนั้นอยู่สบายๆอ่านหนังสือพิมพ์บ้างหรืจะเป็นไรไปเพราะฉะนั้นอันนั้นมันไม่ยากไม่เหมือนพระไตรปิฎกเง <S an> ก็เลยบอกว่าพระไตรปิฎกอ่านยากที่ไหนได้มันไม่อยากอ่านอยู่แล้วล่ะใจนะใ จ, นะใจไม่ค่อยจะเอาอยู่แล้วละ่ะก็เลยหาเหตุผลว่าเอจะอธิบายยังไงนะสรุปว่ายังไม่พร้อมจะอ่านยังไม่อยากจะอ่านก็เลยบอกเออมันยากนี่แหละพอจะฟังขึ้นทุกคนเห็นด้วยหมดเลยนะคนพวกเดียวกันเห็นด้วยหมดเลยเออใช่พระไตรปิฎกยาก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 ก็เลยเลิกฟังธรรมเลยกันนี้ยากยากจริงๆงงนยงเ้ยไอ้พอที่แบบเรื่องทั่วๆไปที่เรื่องมงคลเรื่องบุญเรื่องบาเรื่องดีเรื่องชั่ววันนั้นมีทุระหมดเลยเนี่ยนะมาไม่ได้ก็คือเอาจนได้ต้องเลิกศึกษาพระธรรมนะนะไม่รู้เวรกรรมอะไรมาไม่ทราบสัเพสัตานาี่ยค่ะเวลาโหนตุอยู่เป็นสุขเป็นสุขเธ อ, อย่าได้มีเวร่าได้เบียดเบียนแก่กันแะ ก, กันเลยอย่างเงี้นต่อไปหลังจากนั้นนะนะพองลงจากดาวดึงแล้วเป็นยังไงต่อ สมัยต่อจากนั้นสัตว์ทั้งหลายประมาณเจ็ดสิบแปดโกดตรัสรุในการแสดงมงคลปัญหาเออพันขยันสวดมงคลเอาไว้เยอะๆนะมงคลนี่ดีนี่เขาลุบรรลุ ก, กันตั้งเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบแปดโกดเนี่ยนะขออภัยเออใช่เจ็ดสิบแปดโกดมันเขาตรัสรุเพราะอาศัยมงคลนะอาเสวนาจะพลาลานางปันตานั่นจะเสวนาเนี่ยนะคือเขาเห็นอริยสัจเพราะฟังมงคลเลยนะคือคือ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 ให้ปีติในธรรมเนี่ยนะก็มีการตรัสรู้ประมาณ78โกธให้เขาเอิบอิ่มด้วยน้ำฝนให้เยือกเย็นด้วยน้ำฝนคือธรรมเทศนาตรัสรู้พระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนมะะุมัตสีมีสาวกสันิบาตการประชุมอรหันตสาวกสามครั้งครั้งนั้นพระองค์ยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางพระอรหันตแปดแสนทซึ่งมีจิตเลื่อมใสในธรรมะ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 ทรงยกปาติโมขึ้นแสดงข้ามกลางพระอรหัน์หกแสนผู้บวช ด, ด้วยเอหิพิขุบันปชาพร้อมกับพระเจ้าโสระยะน ก, กรโสระยะนครอีกนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สามเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าเป็นคาถาให้พระสารีบุตรฟังว่าพระอโนมัทถสีพุทธเจ้าผู้าาผสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตการประชุมพระอรหันสาวก ผู้ถึงกำลังแห่งอภินยาผู้บาลแล้วด้วยวิมุตคืออรหันตผลครั้งนั้นประชุมพระอาหารหันตแ0 0 0 0ผู้ละความเมาละโมหะเป็นผู้มีจิตสงบคงที่ครั้งที่สองประชุมพระอาหารหันตเจ0 0 0 0ผู้ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสดังทุลีผู้สงบคงที่ครั้งที่สาประชุมพระอาหารหันตห0 0 0 0ผู้ถึงกำลังแห่งอภินยาผู้เย็นและผู้มีตบะ พูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นเป็นเสนาบดียักษ์ผู้มีศักย์ใหญ่ตนหนึ่งมีฤทธานุภาพมากเป็นอธิบดีของยักษ์หลายแสนโกดปกติแล้วเท้าเท้าที่เป็นยักษ์คืออะไรท้าเวสวร์ใช่ไหมเท้าเวสวร์ผู้เป็นยักษ์เนี่ยนะมีเสนาบดียักษ์ยักษ์ผู้ใหญ่อยู่ประมาณ28ท่านพระโพธิสัตว์ของเราก็หนึ่งใน28ยักษ์ผู้ใหญ่เนี่ยนะยักษ์หัวหน้ายักษ์ที่มีบริวารเยอะมาก พระพธิสัตว์นั้นสดับว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกก็มาเนรมิตมนตดบสําเร็จด้วยรัตนะงามหน้าดูอย่างยิ่งเหมือนวงดวงจันทงามหนักหนายักษ์นี่อยากจะทําบุญทํำยังไงอะ่ะสร้างเมืองขึ้นมาเลยสร้างเนรมิตเมืองขึ้นมานีมนพระพุทธเจ้ามาฉันถวายมหาทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานณนะมนตดบนั้นเจ็ดวันในเวลาอนุโมทนาพัตฒทานเนี่ยนะก็คือ อนุโมทนาทานว่าด้วยการให้ข้าวของยักษ์นั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พยากรณ์ว่าในอนาคตการเมื่อล่วงไปอีกหนึ่งอสงไขยกกำไรแสนกับยักษ์ผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามวโคตมะด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสมัยนั้นเราเป็นยักษ์มีริษม์มากเป็นใหญ่มีอานาจเหนือยักษ์หลายกฎ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 ครั้งนั้นพระมุนีผู้มีพระจักสุบริสุทธิ์แม้พระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่ายักษ์ท่านผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กัปนี้คืออีกหนึ่งอสงไขยแสนกัปเราฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วก็ร่าเริงแล้วก็สลดใจอธิษฐานข้อวัดอย่างยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าให้สาเร็จเนี่ยนะ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 พระนาว่ายโสธราคู่อักระสาวกชื่อว่านิสภะและอนโนมะอุปถากชื่อว่าพระวรุณะคู่พระอักขระสาวิกาชื่อว่าสุนทรีและสุมาาโพลพฤกต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าชื่อว่าอัจุนะต้นกลุ่มพระเสรีระสูง58ศอบพระชนมายุแสนปีมีอักระมเหสีชื่อว่าพระนางเสรีมาพระโอรสชื่อว่าอุปวานนะครองคารวาตวิสัยอยู่หนึ่งมื่นปี เสดพิเนสอะพิเนสกรมบวชออกบวช ด, ด้วยยานคือวอส่วนการเสด็จไปเพิ่งทราบตามนัยะที่กล่าวแล้วนนะในยุคนั้นยุคของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนนมะะัตสีมนุษย์มีอายุแสนปีพระองค์เมื่อมีพระชนยืนประมาณแสนปีถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอะสงสาร ปาพศคือธรรมวินัยอันทราอรหันทั้งหลายผู้คงที่ปราศจากราคะไร้มนทินทำให้บาปดีแล้วศาสนาของพระชินพะพุทธเจ้าจึงงดงามพระศาสดาผู้มีพระยศหาประมาณไม่ได้นั้นด้วยคู่อักรสาวกผู้มีคุณที่วัดไม่ได้เหล่านั้นด้วยผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่เหล่านั้นทั้งนั้นก็อันตรทานไปสิ้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้ คอยดูเธอพวกเรานะอีกสามร้อยปีเราจะเป็นยังไงกันที่ตรงนี้จะเป็นยังไงนะอีกสามร้อยปีเดี๋ยนะอีกห้าร้อยปีจะเป็นยังไงนะเลนของเลนของเลนของเลนจะได้ยินชื่อเราบ้างไม่น้อยอย่างเง้ย น, นะเขาไม่รู้หรอของเรานี่ยายทวดทวดของทวดของทวดนี่เราจําได้กี่รุ่นยากเหมาอนกันนี่ก็เหมือนกันนี่นะเดี๋ยวก็เลนของเราก็จําชื่อเราไม่ค่อยได้แล้วต่อไป สังขารทั้งหลายก็ว่างปล่าอย่างนี้แล้วอย่าไปคิดว่าแน่อะไรมากมายเดี๋ยวก็บอกมืออำลาโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะพูดถึงพระรัศมีออกจากพระสรีระของพระองค์เนี่ยแผ่เนื้อที่ประมาณส2บสอง์ยอยู่เป็นนิดเนี่ยรัศมีแผ่ออกเป็นร่วมสองรกิโลนี่นะพระองค์บทว่าสับพังตมันตะหิตังด้วยประการดังกล่าว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 ดับไปเพราะดับเหตุของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นณ น, นุริตกะเมวสังขาราสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้พูดถึงประวัติของพระอัคารส า, าวกของเราคือพระสารีบุตรผู้มีปัญญา ม, มากผู้ถึงฝั่งบารมีด้วยปัญญาพระโมคคัลลานะผู้ถึงฝั่งบารมีด้วยสมาธิก็ทำปณิฐานตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัคารส า, าวก ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทศีพระองค์นี้เหมือนกันซึ่งเรื่องก็จะกล่าวไว้ในเทรคาถาขอภายในอัปทานเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวจะเอาอัอปทานประวัติของพระสารีบุตรมาว่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวพักก่อนกันแล้วกัน